ใจความของพระสูตรความในพระสูตรนี้อาจสรุปได้เป็นสี่ตอนดังนี้หนึ่งสภาพที่เป็นปัญหาพระพุทธองค์ทรงเริ่มพระสูตรด้วยพระดำรัสว่าสับพังพิกเวอาทิตตังแปลว่าพิสูน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟหมดแล้วจากนั้นตรัสขยายความต่อไปว่า สิ่งทั้งปวงที่ว่าลุกเป็นไฟไปหมดแล้วนั้นคืออะไรบ้างซึ่งเมื่อสรุปแล้วสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าลุกเป็นไฟมีดังต่อไปนี้จากสุรูปจากขู่วิญญาณจากขู่สัมผัสจากขู่สัมผัสสชาวเวทนาโสตคือหูเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสโสตสัมผัสสชาวเวทนา ฐานะคือจมูกกลิ่นฐานะวิญญาณฐานะสัมผัสฐานสัมผัสสชาวเวทนาชิวหาคือลิ้นรสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสชิวหาสัมผัสสชาวเวทนากายผดทับพระสิ่งต้องกายกายวิญญาณกายสัมผัสกายสัมผัสสชาวเวทนามนะ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 หมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดจากสัมผัสนั้นๆพูดให้สั้นลงไปอีกก็ว่าอายตนะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงพทธพะธรรมารมตลอดถึงการรับรู้ความเกี่ยวข้องและความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะเหล่านั้นได้ถูกไฟไหม้หมดแล้ว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 พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในอายตนะภายในภายนอกตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหล่านั้นเมื่อนายก็ย่อมไม่ยึดติด 4. ผลเมื่อไม่ยึดติดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้น